วันนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นวันมหาปวารณาพระสงฆ์และคณะสัายาติโยมเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งและมีการไหว้พระและสมาทานศีลจากนั้นก็ได้หลวงพ่อเองได้กล่าวสมโมทชนิยกถาให้แก่คณะสัายาติโยมที่มาร่วมรักษาศีลในวันสำคัญในวันนี้เพื่อจะได้ยินได้ฟัง เป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดรอบรู้ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ยินครั้งนั้นบังได้ยินครั้งนี้นบังได้ยินหลายครั้งต่อหลายหนปฏิบติปฏตอผลที่สุดก็รู้แนวแถวที่พวกเราจะนํามาประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟัง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 แล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสเพราะได้ฟังเสียงอัดเสียง ร, รมเสียงเหตุผลเมื่อได้ฟังแล้วก็นามาคิดมาพิจารณาไตรตรองที่ได้ยินได้ฟังนั้นจิตใจก็ได้รับความผ่องใสบางท่านถ้านั่งภาวนา ขณะดั้งภาวนาฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปด้วยบางทีอาจจะได้สำเร็จมักสำเร็จผลวางใจได้ก็มีทำใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วได้นี่แหละอันนี้สงแห่งการฟังธรรมเพราะนั้นเราจะปราศจากในการได้ยินได้ฟังนั้นปิดหูปิดตาของตัวเอง แล้วปิดใจของตนเองแล้วจะเฉลียวฉลาดจะรอบรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเมื่อเข้าไปสู่วัดวาศาสนาสู่ครูบาอาจารย์พวกเราจะต้องใ่ในการศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกผู้ที่จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดาป่าเถืองนั้น ต้องเป็นเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาถ้าว่าเราไปเข้าไปหาพระสงฆ์หรือสมณชีพามหรือบัณฑิตนักปราชญ์ที่ท่านรู้เฉลยวดฉลาดในหลักธรรมะเราเข้าไปแล้วก็ถามไทยที่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าถามเพื่ออวดตัวแล้วก็อยากจะข่มท่านให้หยุดให้เพื่อจะแข็งบารมีท่าน ว่าตัวเองรู้ฉลาดกว่าท่านแล้วก็ถามอย่างนั้นไม่ใช่ถามสิ่งที่เราไม่รู้เราคิดว่าเออส ม, มณะครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านคงเป็นครูบาอาจารย์เราไม่รู้ในถะิงนี้เรายังไม่มั่นใจแล้วก็เข้าไปถามไทยท่านท่านก็จะอธิบายให้ฟังเมื่อเราอธิบายเมื่อท่านอธิบายให้ฟังเราก็เข้าใจในจุดนั้นหรือเรายังไม่มั่นใจในครูบาอาจารย์องค์นี้ เราก็นํา ำ, ำคำคําสอน่ะไปหาครูบาอาจารย์อื่นอีกเพื่อท่านจะได้อธิบายให้ชัดเจนหรือเข้าใจติวไปแนวแถวเดียวกันหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็ว่าผู้ใฝ่ในการศึกษาอันนี้เกิดไงพบน้ชาตินี้ก็เป็นผู้เฉลียวฉลาดเพราะได้ยินได้ฟังท่านว่าเกิดมาพบน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้เฉลียวฉลาดอีกเพราะติดพบติดชาติอันนี้คือ ผู้ที่จะเฉลียวฉลาดได้นะั้นต้องอาศัยไฟในการศึกษาใยในการเรียนรู้นะแต่ทำให้งโง่นะทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอีกผู้ที่จะเกิดมาพบหน้าชาติหน้าหรือว่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็ดีเรียนหนังสือมีสติปัญญาทึบความคิดใน้ช้าปัญญาทึบท่านบอกว่าในอดีตชาติของเขาเขาใยในการพวก หนักไปในทางยาเสพติดสซรายาฝิ่นเฮโรอีนไอพวกยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงในเขาชอบมากอ่าแปลว่ากินจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเสพจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเกิดมาพบหน้าฉาดหน้าคนประเภทอย่างนี้แตเป็นคนปัญญาอ่อนจะเป็นไม่เฉียบแหลมในด้านปัญญาไอคล้ายๆว่าชอกชอกในความรู้สึกของตอนเอง ให้โง่เง่าเต า, าตุตนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะฟังเอาไว้นะถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อสาเหตุฟังเอาไว้ถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นไปได้ทั้งนั้น่ที่พระพุทธองค์ตรัสไปแล้วหนึ่งไม่มีสองนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาสู่วัดวาศาสานากรไฝในการศึกษาวันนี้เป็นวันสังฆประวารณามหาประวารณาในสง์ หลวงพ่อพร้อมกับพระสงฆ์41รูปวันนี้ได้มาประวัณาต่อสงฆ์เมื่อบ่ายห้าโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ประวัณนาหลวงพ่อเองที่เป็นหัวหน้าและเป็นประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวประวัณนาในสงฆ์เหมือนกันไม่มีใครเหลื่อมล้ำกันประวรณาเสมอกันเสมอภาคกันข้าพเจ้าผม ได้กระทำสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการคิดการพูดการทำการคิดการทำการพูดที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังและปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลตามหลักธรรมวินัยในลหลวงพ่อประกาศสามครั้งจากนั้นองค์ที่สองที่สามที่สี่จนถึงองค์ที่4ี่สิบเอ็ดนะก็ประกาศแบบเดียวกันทั้งหมด สรุปแล้วก็คือเนี่ยคือป ร, ประวัลนาในสงฆ์ที่หลวงพ่อได้กล่าวถ้าพวกเราจะนําไปใช้ในกิจการหรือว่าคร อ, อบครัวของเราบริษัททางร้านของเรากิจการตํารวจทาหารพิพากษาอายการในกลุ่มของเราที่อยู่ด้วยกัน mm hmm. ถ้ามีการประวัลนาต่อกัน mm hmm. ก็จะเป็นสิริเป็นมงคลเพราะว่าเปิด เ, เปิด กลวัวเปิดความรู้สึกให้กันและกันให้ว่ากาวตักเตือนกันได้ไอันนี่แหละคือหลักของพุทธศาสนาใครพวกเราถึงทาไม่ได้ก็ให้ฟังเอาไว้นี่แหละแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ท่านปกครองสงฆ์ปกครองให้คณะสิทธิอนุสิตอยูด่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุกอันนี้คือวันประวัณนาแลวก็นในครั้งพุทธกาลวันนี้ใน45พันษาของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ไปจำพรรษาโปรดพมานดาอยู่ชั้นดาวดึงทั้งสามเดือนไปโปรดพระมานดาเทวดาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าท่านเทศเรื่องประมัตธรรมเรื่องพระอภิธรรมบนสวรรค์ถึงสามเดือนและวันนี้พระพุทธองค์เมื่อเทศจบแล้วก็ได้กลับลงมาจากชั้นดาวดึงลงมาสู่มนุษย์โลกมนุษย์ทั้งหลาย ที่มาคอยอยู่ที่เมืองสังกัสรนครมาคอยพระพุทธองค์พระองค์ขอสเสด็จลงมาที่นั่นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็ได้ตักบาตรพระพุทธเจา้าได้ทาบุญตักบาตรพระพุทธเจา้าวันนั้นที่ว่าตักบาตรเทโวพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์ชั้นดาววันหนึงในวันนี้แหละมันเป็นวันออกพรรษาเราจึงถือเป็นประเพณีว่าตักบาตรเทโว คือตักบาตรพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นสวรรค์อันนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนาถึงพระพุทธองค์จะได้ตัดจรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ยังไม่ลืมพระมารดาของพระองค์ยังขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ติดส่วนพระปิดาคือพระเจ้าสุดโทธนะพระองค์เสด็จกลับมาโปรดพระบิดาพระบิดาได้ฟังพระธรรมเทศนา ครั้งแรกเขได้สําเร็จพระสูดาต่อมาอีกฟังอีกได้สําเร็จพระอนาคาคาผลจุดท้ายที่พระเจ้าจุดโททนะพระบิดาของพระพุทธองค์จะสวรรคตพระพุทธองค์พร้อมกับพระราหุนพระอานนท์เข้าไปโปรดถึงที่นอนไปเทศให้พระบิดาพระบิดาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นิพพานนิพพานไม่ใช่สวรรคตแล้วนะท่าน พระเจ้าจุดโทธนะนิพานอแล้วก็ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกเป็นคารวะแต่ปล่อยวางได้ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พอได้สําเร็จเป็นพระอรหนนะันต์แล้วจากนั้นเขาท่านกอ็อนิพานเลยนี่แหละพระพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามอพระบารดาพระบิดาของพระองค์เพราะนั้นขอให้พวกเรายึดแนวแถวพระพุทธเจ้าเรามีพ่อมีแม่เราควรจะดูแลพ่อแม่อย่างไร ประถมประกท่านอย่างไรให้ความเคารพนับถือท่านอย่างไรให้ปัจจัยสี่ธนุถนอ n o ร่างกายของท่านอย่างไรแบ่งปันเงินคำทรัพย์สมบัติที่พวกเราหามาแล้วให้พ่อแม่อย่างไรท่านไม่ให้มองข้ามเพราะนั้นขอให้พวกเราถ้าผู้ใดปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั่นะคือพวกเราเดินตามแถวพุทธ คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยคุณบิดามารดาของพวกเราเพราะบิดามารดาเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะกรพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อบิดามารดาของเราอย่างไรบ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของพ ว, พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่เราจะมองข้ามให้ยึดแนวแถวของพุทธพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดพระมารดา โปรดพระบิดาของพระองค์จนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอันนี้ก็คือแนวแถวของพุทธะนะแล้วก็วันนี้ในเขตอุดรหนองคายน้ำโขงคือหากันมาทุกปีก็บอกไปดูบั้งไฟพญานาคแฮนนี้ก็เนีพวกเราบางคนก็เชื่อ บ, บางคนก็ไม่เชื่ออะไรความเชื่อและไม่เชื่อบุกอยู่ในจิตในใจไม่มีใคร ที่จะบังคับให้เชื่อหรือไม่เชื่อนะ่ะแต่ถึงยังไงเชื่อได้ก็เท่านั้นละ่ะเพียงแต่ ว, ว่าเออถ้าไม่ถ้าเราเชื่อเออพวกกายทิพย์มีในหลักของพุทธศาสนาที่ว่ากายทิพย์มีพวกพยายามหนักมีเทวดามีอินพรหมมีเราก็เชื่อแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็ อ, อาจจะเป็นแก๊สออกมาจากน้ําก็ได้มันคิดได้ทั้งหลายหลายอย่างอย่างนั้น่พอท่าน ถ้าเราเชื่อและไม่เชื่อมันก็สำหรับเราเองก็ไม่มีอะไรนะแต่ตามไม่จริงพญานาคมีไหมมีพญานาคมีในหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว อ, อ, อินพรมลุคะภูมะเทวดามีนีพญานาคคดมีเวิญญาณมันมีมากกว่านั้นอีกต่างหากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมองเห็นมองเห็นด้วยตาเนื้อของพวกเราสัตว์ในโลกมีกี่อย่าง สัตว์ในโลกมีกี่อย่างนับหรือิมันนับไม่ทัวนนะนะมันมีมากปลาอยู่ในน้ํา ม, มีกี่อย่างปลาอยู่ในน้ํา ม, มีกี่ชนิดสัตว์อยู่ในโลกเนะี่ยแต่ละทวีปมีกี่อย่างแปลกแตกต่างกันอีกต่างหากนี่แหละแต่ขนาดอยู่ในโลกเนะี่ยเราก็ยังนับไม่ครบว่ามีกี่อย่างสัตว์ในโลกเนะี่ยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นอย่างแต่นี่กายทิพย์อีกต่างหากเอง พวกกายทิพย์เทวบุตรเทวดาอินพรมแต่ละชั้นแต่ละภูมิของเขาของท่านก็มีไม่แพ้กันกับเมืองมนุษย์ของเราเ่มนุษย์ของเรากัเป็นมนุษย์เป็นราชาเป็นประธานในนาทิบดีเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัชดอนเป็นพ่อค้าประชาชนเศรษฐีพวกเราเรียงลำดับขั้นตอนของมนุษย์นี่ก่อปวดเสียนเวียนเก้าแล้วงั้นแยกแยกดูให้ดีมีมาก ในชั้นภูมิของมนุษย์มันแตกแตกแตกต่างกันทําไมจังว่าแตกแตกต่างกันเพราะการเป็นอยู่มันแตกแตกต่างกันการเป็นอยู่ อ, อาหารการบริโภคความสุขความสบายมันแตกแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันอจนถึงคนคนหูหวกตาบอดบ่าไบเสียจิตก็มีอีกเหมือนกันอันนี้คือมนุษย์นะแล้วก็ไล่เรียงไปสัตว์ที่ไรฉานอกีกถึงมากมายฮ เพราะนั้นสัพสัตในโลกกามาโลกรูปประโลกอรูปโลกพวกสัตว์ตะวโลกทั้งหลายทั้งปวงที่เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารมีมากเป็นอนันตการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรันว่าถึงยังไงใครอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็เวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ส, สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุมรอนรอนบางทีเกิดเป็นพรมแล้วมาเกิดเป็นหมูก็มีบางทีอยู่ในสวรรค์ชั้นถ้าตกนรกหมกไหมก็มี บางทีขึ้นมาจากนรกไปสู่สวรรค์เลยก็ยังมีเป็นไปได้ทั้งนั้นวิญญาณเพราะนั้นเพราะพระองค์บอกว่าให้เตรียมพร้อมจะตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดอีกวิญญาณสรรพสัตทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมากมายถ้าสัตตัวไหนก็ตามสิ่งไหนก็ตามถ้ากระดุกกระดิกได้เคลื่อนไหวไปมาได้นั่นหละคือวิญญาณเขา้าเข้าอยู่ในตัวนั้นแหละ แต่อย่างต้นไม้เนี่ยอันนั้นมีแต่ธาตุสีอ่อไม่ใช่ไม่มีของที่มีวิญญาณเข้าไปสิ่งแต่ถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามที่กระดุ ก, ก, ด, กดิกระโดดได้นะอันนั้นแหละคือวิญญาณมีแล้วอยู่ในสรรพสัตว์ตัวนั้นๆ น, น, นี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ในโลกยอพญานาคมีไหมนี่หลักของของพุทธศาสนาแล้ว อย่าประมาทนะพญานาคก็มีมีแน่มีแน่แต่ว่าเป็นสัตว์ประเภทสัตว์ที่ไดานแต่เป็นผู้มีฤทธิ์แต่เราจะไปกราบไปไหวไหมไม่ว่านาคไปว่าเทวดาไม่ว่ามนุษย์ถ้าผู้ใดมีคุณธรรมในจิตใจแล้วเราให้ความเคารพนับถือเรื่มใสทั้งนั้นแต่จะเป็นระดับไหนก็าตามมีแต่โลกโปโหโกธามีแต่คิดพยาบาทอาฆาต จองเวีคนอื่นเขาจะเป็นเทวดาชั้นไหนก็ตามเราจะไม่ให้ความเคารพแปลว่าเป็นเทวดาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอยู่ในระดับไหนของมนุษย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแปลว่ามีความเห็นผิดอโอหังลืมตัวคิดว่าตัวเองจะไม่เกิดแก่เจ็บตายแต่ทุกคนถ้าทําผิดแล้วตกนรกตายทั้งนั้นไปสุอบายยภูมิตกนรกหมกไหม้ได้ทั้งนั้น ตกทุกตะยากใดทั้งนั้นวิญญาณไหนก็ตามถ้าว่ายังไม่พ้นทุกยังไม่เป็นพระอริยะบุคคลแล้วพร้อมที่จะตกต่ำได้พร้อมแต่ที่จะขึ้นสูงได้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้นี่แหละเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ พอพึ่บประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะนี่แหละวันนี้พวกเราก็ได้มาพร้อมกันได้ทําวัดสวดมนต์จบเสร็จจิ้นลงไปต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องธรรมะให้แก่พวกเราทั้งหลายได้จินได้ฟังแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องจิตภาวนาณนะนานๆหลวงพ่อจะพูดเรื่องจิตภาวนาให้ฟัง หลวงพ่อจะพูดเรื่องกล่าวเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่ทั้นั้นก็เรื่องความพร้อมเพียงสมัคคีในการอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายถทำว่าพวกเราอยู่ด้วยกันแต่แยกสมัคคีกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันพวกเราขอหาความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขระยาแต่สรุปแล้วก็คือสิ่งเหล่านั้นก็ยังนอกอยู่แต่เรื่องจิตภาวนานี่เป็นเรื่องที่ พระพุทธเจ้าให้ความสนใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความสนใจเกี่ยเรื่องจิตตะพรรเป็นธรรมะขั้นสูงเป็นธรรมะขั้นสูงจะต้องศึกษาจุดนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาพระองค์นะไปค้นคว้าศึกษาทั้งหกปนะีค้นคว้าศึกษาเรื่องอะไรนะอันนี้เราไปพูดที่ไหนเราก็ต้องยกบรมครูของพวกเราไว้ก่อน บรมครูคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรในวันเดือนหกเพนนนั้นอ่ะปุเพในวาสารุสติยานตุตูปปาตยานอาสาวกไยายะาณในวันเดือนหเพนนั้นจากนั้นท่านก็ได้นํายานและนําแนวความคิดที่ท่านได้ตัดสรู้ในวันนั้นออกมาประกาศเผยแพ่เป็นทรรำคําสอนออกมาเยากพระธรรมพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้า จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนําสั่งสอนพวกเราเป็นขั้นเป็นตอนออกมาพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรในวันนั้น่ะเพระพระองคว์ว่าพระพระธองค์นั่งสมาธิเ อ, อีนี่แหละท่านดูใจของท่านนะแต่เรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีก็ดีอันนั้นแปลว่าเป็นรูปรธรรมการอยู่ด้วยกัน เป็นเบื้องต้นแต่จุดหมายปลายทางจริงๆที่พระพุทธเจ้าต้องการจริงๆ จ, จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาจริงๆคืออะไรคือชําระใจไม่ให้ใจตัวงนี้ติดอยู่ในกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะทำให้จิตใจตรงนี้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารใจของเราเดี๋ยวนี้มัน เหมือนกับลูกฟุตบอลกีรติมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็โกรธเล้๋ยวก็โลภเดีวก็หลงอยู่อย่างงั้นอ่ะเดี๋ยวผมแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตในโลกกระทำแปต้องการ4ี่อย่างไม่ต้องการ4ี่อย่างไม่ต้องการเสื่อมลาบไม่ต้องการเสื่อมยศไม่ต้องการนินทาไม่ต้องการทุกแต่ต้องการตรงกันข้ามต้องการลาบต้องการยศ ต้องการอยากจะให้คนสนะเสริญต้องการความสุขนี่อันนี้ก็คือมนุษย์ชาติของเราเป็นอยู่อย่างนี้ใยายเรียกว่าต้องการแต่ว่ามันไม่สมหวังมันไม่สมหวังพระโลกนี้เป็นโลกอนิจจังของไม่เที่ยงอทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจะทํำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัตะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเนี่ย อันนี้พวกเราจะต้องศึกษาแล้วนะทีนี้ศึกษาแล้วถ้าเราไม่ศึกษาไม่มีทางที่จะรู้แนววิธีที่จะพ้นพวกในวัฏสงสารได้เพราะฉะนั้นวิธีการนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บำเพ็ญในตัดสู้ในวันนั้นนะจากนั้นท่านก็นสอนออกมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาถึงหลวงปู่มั่นของเราแล้วนะทีนี้หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสา หลวงตามหาบัวเอนี่ยนะที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราที่ท่านแนะนํำทำคําสอนของเพระพุทธเจ้ามาประกาศมาตีแผ่เหมือนกับพวกเราเป็นลูกเล็กเด็กแดงอย่างนั้นอ่ะเราเป็นเด็กนะเราจะทํำยังไงเราจะทานอาหารประเภทไหนอหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามอทําให้อาหาร อ่อนเพ อ, อๆสมัยก่อนคนโบราณก็าจะเคี่ยวข้าวเคี่ยวข้าวแล้วก็ใส่กล้วยน้ำว้าหรืออะไรไปหมกไฟซะก่อนให้มันค่าเชื้อซะก่อนลักษณะอย่างนั้นแต่คนโบราณก็ามาเชิญใหญ่เหมือนกันนะเขาใส่ใบไม้เขาก็ไปหมกข้างไฟให้มันเดือดให้มันสุกซะก่อนอทั้งที่ข้าวสุกอยู่แล้วจากนั้นก็มาให้ลูกเมื่อมันเย็นแล้วกเอาให้ลูกตัวเองกินนี่แหละการดูแล ลูกเล็กเด็กแดงการเลี้ยงธาตุขันของเด็กนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจะสอนอย่างไรพวกเราจึงจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติท่านก็พยายามมาช่วยวย่อยช่วยแยกแยะประยึดตัวไหนพิจารณาอะไรจะภาวนาอย่างไรจึงจะได้มรจึงจะได้ผลเพราะว่าท่านได้ผ่านไปแล้วทําไมจะว่าท่านผ่าน อย่างหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อท่านดับขันวรณาภาพาล่วงรับดับขันไปเนะี่ยพวกเราได้ไประชุมเพิงหรือถวายพระเพลิงท่านาพระราชทานเพิงก็มีที่ได้ไประชุมเพิงก็มีไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุเม็ดกลมๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเม็ดสวยงามหยิบต่างหากเพราะเหตุใด ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละคือกระดูกของพระอรหันต์เป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วนี่แหละพวกเราเี่พวกเรามองไม่เห็นใจของท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พวกเราก็เชื่อท่านแบบไม่เชื่อกั้งหมาเถียงท่านหมาอะไรท่านหวัาแต่ในใจของท่านนั้นเป็นพระอริยะบุคคลแล้วอพอท่านจากไปเราจึงรู้โอ้กระดูกของท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้เนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุแล้วเนี่ย เนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านมีลิกิตบางท่านสอนเป็นคาพูดบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งองหลวงปู่มันท่านสอนพวกเราสอนในสติปัฏฐานสีนะ่ท่านสอนในวงนสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมไม่นอกเหนือจากนี้ กายกคืออะไรคือการเคลื่อนไหวเวลากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า <S <s <Chinese> <S พดหายใจออกโถอันนี้ก็คือกายเอาร่างกายเป็นผู้กําหนดคือกรรมฐานเอากําหนดกรรมฐานคือลมหายใจลมหายใจเป็นกายนะไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยหลวงปู่มั่นให้เอากําหนดกายคือกําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถหายใจเข้าพุดหายใจออกโถ มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอย่าไปกลึงอย่าไปเกรงอย่าไปแต่งลมให้เป็นธรรมชาติมันอยู่ยังไงเพียงแต่ว่าให้มีให้มี ส, มสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเวลาเราเดินกระขาขวาพุธขาซ้ายโถขาขวาพุธขาซ้ายโถพุธโถพุทโ ถ, โถให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินของเราอ แต่ยุคนี้สมัยนี้มีเสียงออกมาว่าทําไมยึกพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าลงไปเหยียบย่าในฝ่าเท้าของตนเองจะไม่แบบไม่เป็นการเหยียบย่ําย่ำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหรอเป็นไม่การไม่ไม่เป็นการ เ, าเหยียบย่ําลงไปในที่ต่ําเหรอ อ, อันนี้ก็คนก็พูดขึ้นมาหลวงพ่อบอกว่าเราจะไปคิดถึงขนาดนั้นใคร เป็นคนคิดว่าศีรษะสูงฝ่าเท้าต่ําใครเป็นผู้ให้สมมตุติใจของเราเป็นผู้ให้สมมตุติใจของพวกเราเป็นผู้ให้สมมตุติว่านศีรษะเนี่ยคือสูงเท้าเนี่ยคือต่ําตามไม่จริงศีรษะกว่าดีเท้าวกว่าดีเขาไม่ได้บอกว่าเขาสูงเขาต่ำเลยตัวเองไปให้ความสมมุติเขาว่าคนนั้นสูงตัวนี้สูงตัวนั้นต่ำ เออตัวนั้นสำคัญตัวนี้ไม่สำคัญเออตัวนั้นร่างกายเท้าเนี่ยต่ำสีสะในี่สูสงถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าถือว่าเท้าต่ำเท้าไม่ดีลองลองตัดเท้าทิ้งดูซิเป็นยังไงเจ้าศีสะเดินได้ไหมมันก็เดินไม่ได้เพราะนั้นเราต้องให้ความสำคัญทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีสะจดเท้า เท้าจุดจนจุดทษะให้ความสําคัญด้วยกันเราจะกําหนดกรรมฐ า, านในจุดไหนได้ทั้งหมดเราจะไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นคิดแบบเอาขวากเอาหนามมากั้นกลางทางด้านจิตใจของเราเพราะนั้นเดี๋ยวเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราร่างกายของเราทุกส่วนเรามอบกายถวายชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เท่านั้นไม่มีตัวไหนสูงไม่มีตัวไหนต่ำเพราะนั้นเราการเคลื่อนไหวของกายขณะที่เราเดิน ใครเดินขาเดินก้าวเดินเราก็ต้องเอาพุทโธอยู่ที่ขาที่ก้าวเดินของพวกเราบริกรรมพทรุทโธมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินเวลาเรานั่งภาวนามันหยุดมันนิ่งอะไรมันยังเคลื่อนไหวอยู่ก็ลมหายใจเข้าหายใจออกฟอดแฟกฝอดแฟกนะเราก็เอาสติไปจับอยู่ตรงนั้นให้มีสติสัมปชัญญะในการนั่งให้มีสตใิในลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าพดหายใจออกโถนะอันนี้ก็คือการกำหนดแต่ถ้าเรายืนถ้าเรายืนแล้วก็ไปยืนยืนพิงแผ่นกระดานนะพระในครั้งพุทธการท่านยืนพิงพิงต้นไม้หรือท่านยืนพิงพิงแผ่นกระดานนะที่เดินที่ยืนของท่านถ้ายืนธรรมดาเนี่ยถ้ายืนเพียวๆ เ, เนี่ยโดยมากมันจะงอนเยนมันจะล้มมันจะลักษณะเวียนชี้สลักษณะอย่างนั้น ต้องมีที่ยืนอันนี้ก็คือท่านผู้ที่ภาวนาเนี่ยยืนภาวนาก็มีแต่นอนภาวนานี่ยอันนี้พวกเราถนัดอยู่แล้วล่ะอพอนอนสองหายใจสองสามครั้งก็เกาะทำงานแต่ อ, อันนี้บางคนก็เมื่อนอนไปหลับก็มีบางท่านก็กำหนดสติให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็นอนอันนั้นไม่หลังก็มีอันนั้นผู้เห็นผลในการภาวนาทางนอนก็มี แต่มันน้อยมากที่ภาวนานนอนแล้วไม่หลับนะแต่ตั้งสติให้เข้มแข็งแต่พอเราจะหลับแล้วก็ปล่อยอารมณ์ให้อ่อนๆลงไปเมื่อกลับแต่ว่าถ้าว่าเราเข้มเข้มแข็งขึ้นอันนี้เราก็ภาวนานในการนอนก็ได้นี่ว่าอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละาภาวนานในสติปัฏฐานสีอันนี้คือกำหนดเรื่องของกายพูดเรื่องของกาย ลมหายใจเข้าออกก่อกายขาขวาพุทขาสท้ายโผลก่อกายยืนภาวนาก่อกายเวลานอนกําหนดลมหายใจเข้าออหายใจออกหรือว่าให้กําหนดดูร่างกายของตัวเองดูร่างกายของตัวเองให้มีสติในการนอนของตัวเองดูกําหนดดูตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะเออถ้าคนตายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกับเรานอนเนี่คนตาย อันนั้นคือคนตายคือสติออกจากร่างไปแล้วถ้าเราไม่ตายกป็นยังไงยังมีความรู้สึกอยู่อย่างเนี้ยนี่แหละอันนี้ก็คือการภาวนาในสติปัฏฐานสี่กายกําหนดกายนี่แหละแต่ว่าการเดินจงกรมสิบางท่านบางคนก็เดินจงกรมทํำยังไงหลวงพ่อเคยบอกกล่าวมาหลายครั้งเวลาเดินจงกรมเรามีกําหนดเส้นทางในบ้านของเราหรือใน เดือนของเราหรือในชลาข้างบนอย่างเนี้ยถ้าไม่มีใครนะเราก็เดินเส้นไหนมันยาวที่สุดอในช่วงไหนที่มันยาวที่สุดไม่เป็นไม่เป็นออะไรเป็นไม่เป็นพักนะ่ะอมันเป็นรื่นแผ่นเดียวกันต่อเนื่องกันเราก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกประนมมือพุทโธธรรมโอสังโฆไห ว, วครูซะก่อนพุทโทรธธรรมโอสังโฆสามจบ จากนั้นก็แผ่เมตตาในใจข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขแผ่เมตตาให้จิตใจของเราอ่อนน้อมซะก่อนไม่ให้มีพิษมีภัยไม่ให้เป็นการจองเวรผูกพยาบาทอาฆาตกับใครทั้งหมดในขณะที่ภาวนาจากนั้นก็เอามือลงวางลงที่ทองน้อยมือขวามือขวาทับมือซ้ายมือซ้ายอยู่ข้างข้างบนมือขวาอยู่ข้างหน้าจากนั้นก็ก้าวเดิน ขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทโธพุทโธพุทโธมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินเดินมากมากน้อยแค่ไหนจนจะเหนื่อยเอาทั้งคืนก็ยังได้เดินพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างนั้นน่ะจิตจิตรวมได้ไหมในขณะที่เดินได้โพดอย่างนั้นได้แต่มันจะเดินมันจะรวมเนี่ยจิตสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลามันจะเดินขา ขาของเรามันจะชิดปั๊บเลียงกันเลยยืนนิ่งเลยเนี่แหละมันจะไม่ก้าวเดินมันจะนิ่งสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในขณะที่เดินแต่น้อยแต่สงบได้แต่การสงบในการเดินเนี่ยจะรู้สึกว่าจะละเอียด ก, กว่าละเอียด ก, กว่าการนั่งเพรา อ, อะไรเพราะรู้สึกว่ามันการก้าวเดินแล้วมันสงบในการก้าวเดินไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน จากนั้นจิตเข้าสู่ความสงบนิ่งพอถอนออกจากความนิ่งในการสงบแล้วเราจะรู้ไ ด, ด้ด้วยตนเองเหมือนกันอันนี้ขณะนี้ใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิเราจะรู้ได้ไม่ต้องถามใครเลยถึงจะถามก็ถามไปอย่างนั้นในใจร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็น์มือนกว่าจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบไม่สงสัยเลยอันนี้คือจิตสงบ จากนั้นกันเวลานั่งภาวนาก็เหมือนกันหายใจเข้าพุทธหายใจออกโพโพโทุทโภพุทธโภแต่บางคนที่ฝึกใหม่หรือฝึกเก่าก็าเถอะแต่มันก็สติของเรายังอ่อนไม่เข้มแข็งมันก็เผลอไผลไปทางอื่นบางทีก็นั่งจุปปกปุกแต่มันคิดไปที่ไหนกูดูมึงปวดแฉ่งปวดขาจริงจะรู้จกักอโอ้ ใ, ใจของเราไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฮะอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นพวกเราให้ตั้งสติให้เข้มแข็ง ในการนั่งกำหนดลมหายใจให้เข้มแข็งตั้งใจเป็นกรณีพิเศษในการภาวนาแต่อย่าไปคึงอย่าไปเกง่งแต่ว่าสติของเรานะให้เข้มแข็งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันยังหลุดออกไปได้อยู่ให้บริกรรมให้ถี่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสำทับอยู่ที่ตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนะตัวนึกตัวคิดนะั่นแหะให้อยู่พุทโธกับตรงนั้นอย่าไปให้มันอยู่ตรงอื่นให้พุทโธพุทโธให้จิต จิตหมดจิตบน่นจิตสาธยายจิตบริกรรมเมื่อกี้นะฮอไม่บริกรรมกับลมหายใจเข้าออกเลยให้บริกรรมกับตัวผู้รู้อย่างนั้นพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่แหละจนไม่มีช่องว่างเลยอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทําจิตใจให้สงบจากนั้นจิตใจมันไม่ปงไปทั้งอื่นพุโทโธพุโทโธเข้านา น, านๆเข้มามันก็นลมพุ๊บยิ่ไปเหมือนกันนี่แหละพวกเราไม่ต้อง แต่การรวมนั้นมันมีหลายระดับมันมีหลายอย่างเหมือนตกเขียวตกบอก็มีบุหวาบก็มีอะไรมันมีมากมายแต่ถึงยังไงพวกเราปฏิบัติแล้วจะรู้ได้จะให้รู้ว่าแต่พูดแต่ตือนไว้อีกอย่างหนึ่งถ้าจิตใจเคยสงบเคยสงบครั้งหนึ่งเย็นสบายแล้วพอไปคราวหน้าเนี่ยเราอยากจะให้มันสงบอีกคร้อย่างคราวก่อนอันนั้นอย่าคิดนะอย่าคิดอย่างนั้นเราต้องหาใหม่อีก มันสงบไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่ต้องเอาเรื่องของเก่ามามาคิดถ้าเราเอาเรื่องของเก่ามาคิดเวลาใจของเราภาวนาพุโทโธพอใจมันจะรวมหน่อยเอาละใกล้ๆละมันคงจะรวมอีกและเหมือนคราวนั่นแหละมันกระถอยอิทธมาอย่างเก่าพอท่านจะตั้งความอยากในจิตใจเราให้ตั้งใหม่เราไม่ต้องคิดมันจะรวมหรือไม่รวมเราไม่ได้สนใจ เราพยายามสร้างเหตุให้เพียงพอนะในเมื่อเราสร้างเหตุเพียงพอแล้วมันจะสงบไปเองนะี่อันนี้เราวิธีการภาวนาอันนี้คือกายานุปษษัฏนานจิตปัฏฐานเวทนาเลยในจิปัฏฐานสีเวทนาแหละเป็นยังไงเวทนาก็คือเวลาเจ็บแข้งปวดขาเวลาเราก้าวเดินเวลาหายใจเข้าออกคือเวทนาทันะ้งนั้นคือความสัมผัสหรือคือเวทนาคือความทุกข์ เวทนาในมีสองทุกเวทนาสุ ข, ขเวทนาทุกขเวทนาคือร่างกายของเราเนี่ยบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวบางทีก็ปวดหลังปวดเอวบางทีก็ปวดแข้งปวดขามันมีทั้งนั้นแหละอันนี้คือเวทนาเวทนาในสักว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจของเราไปให้ความสําคัญท่านเองมันจะเกิดเวทนาถ้าใจของเราไม่ไปแบกนะ่ะใจออกจากร่างท่านนะ เ, เหมือนกับคนตายนะ มันจะรู้สึกไหมเวทนาจะเกิดไหมมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะใจมันออกจากร่างที่มันอยู่ในร่างนี่ก็คือใจของเราไปแบกไปรับรู้รับทราบกับร่างกายมันจึงเกิดเวทนาเพราะฉะนั้นให้เราแยกแยให้ออกแยกเวทนาออกจากใจแยกใจออกจากเวทนาเวทนาสัตว์ว่เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใจนะเวทนาไม่เกิดในกายแต่กายเป็นผู้ใจเป็นผู้รับรู้เรื่องของกายนะียอันนี้ก็คือการพิจารณาเวทนา เวทนาในคำนี้เนี่ยเวลาสิ่งต่างๆจะมากระทบใจสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากระทบใจเราก็ทุกข์ใจสิ่งไหนที่พัดพากพ่อแม่ร่มหายตายจากไปเราก็เสียใจอันนี้กระทุกใจอันนี้ก็เวทานาทางใจสิ่งไหนที่เราเป็นที่พึงปรารถนาได้ยินกิจทรัพย์เราจะได้ เ, เลื่อนขันเงินเดือนเราจะได้มีเงินทรัพย์สมบัติพี่น้องเข้ามาพก พบพาสมัครคีกันเราก็ดีใจอันนี้ฝัสุขคเวทนามันเกิดอยู่ในใจอีกเหมือนกันทั้งสองเงินมันไม่เที่ยงโดยกันทั้งนั้นเออมันไม่สิ่งไหนที่มันเที่ยงแค้แน่ น, นอนไม่มีหรอกแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเออทั้งดีทั้งทั้งเลวนะันถ้ามันเกิดขึ้นทางชั่วแล้วก็ตั้งใจไปเลยเกิดเออเกิดตั้งอยู่ดับไปเออเวลาสิ่งไหนที่ที่พึงปราถนาแล้วก็ตั้งขึ้นมาอื่น เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปอีกเหมือนกันอันนี้ก็คือเวทนาให้พิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องจิตท่านนี่คือจิตคือความนึกคิดเดี๋ยวไี้เรานึกคิดเรื่องอะไรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเราพยายามดูตามดูนึกคิดถ้าว่าผู้ใดขนาดจับลมยังไม่อยู่ก้าวเดินก็ยังไม่อยู่เออจับสติจับกายก็ยังไม่อยู่แล้วจะมาจับจิตเนี่ยมันยากเหมือนกัน แต่ถ้าว่าเราจับกายกาหนดลมหายใจเข้าออกอยู่หมัดก้าวเดินที่ไหนอยู่หมัดมีสติสัมปชัญญะในตัวของเรากําหนดเรื่องเวทนาก็อยู่เรื่องกายก็อยู่จะมากําหนดเรื่องของจิตการนึกคิดของใจมันก็อยู่อีกเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่มันมองไม่เห็นแต่พวกเราตัวของเราจะรู้ได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะ มีสติที่เข้มแข็งก็จะจับตัวผู้รู้ในอยู่ได้ความนึกคิดของเราเนี่ยเราเดี๋ยวที่เรานึกคิดเรื่องอะไรอย่างนี้เราจะอยู่ในความนึกคิดนั้นจากนั้นจิตของเราเมื่อมันรู้ทันความนึกคิดแล้วจิตใจก็รวมลงไปได้อีกเหมือนกันอันนี้ว่าจิตา ต, น า, ตานุปัจสนาสติปัฏฐานทำมาลุปัจสนาสนาติปัฏฐานคือสิ่งที่มากระทบใจที่ความพอใจ ความไม่พอใจเออมันเกิดในใจถ้าไม่สิ่งที่พอใจมันก็สุกเวทนาอย่างที่ว่าสิ่งที่พอใจมันก็ดีใจสิ่งที่ไม่พอไม่พอใจมันก็เสียใจมันขึ้นมันลงมันดํามันขาวมันดามันขาวมันดํามันขาวอยู่ในจิตใจของเรามันก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลามันหาความสงบผ้าจุกไม่ได้ในใจของเราในสิ่งไหนเป็นอันหนจังงสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเป็นทุกขังสิ่งไหนเป็นทุกขังสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา นี่แหละเราดูตัวเนี้ตัวธรรมานุปัจนนาสติปัฏฐานจิตที่มากระทบใจของเรานี่แหละจะองค์ไหนก็ตามจะอธิบายเรื่องกรรมฐานแล้วพวกเราเห็นน้อ ม, ม ห, หรือให้สํารึกหรือให้เปรียบเทียบเข้ามาสู่สติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมพวกเราจะไม่หลงทางจะไม่หลงเงื่อนในการภาวนาในการปฏิบัติ แต่พวกเราได้ยินว่าเออเขายุบหน่อพองหน่อเขาเพ่งดวงแก้วนะพวกเราเ็าหลงตระเลิดเปิดเปลืองไปกว่าแต่ตามไม่จริงยุบหนอพองหนอเขาเอาอะไรมากําหนดเขาก็เอากายเอาท้องของเขาบรรยุบมันพองอันนี้ก็กายเหมือนกันแต่ว่ากายยาโนปัชนาจะติปฐานเพียงแต่เขาจับเอาจุดใดจุดหนึ่งของตรงใดตวงหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นร่างกายเหมือนกันเวทนาก็เหมือนกัน หรือเพ่งดวงแก้วเพ่งดวงแก้วก็คือเพ่งความรู้สึกอาจจะว่าติตตามวิปัสนาตติปัฐานก็ได้เอออันนี้คือคือการเพง่งเป็นวิปัสนาไหมอย่างยังไม่จัดว่าเป็นวิปัสนาเพียงแต่เป็นสมถะเท่านั้นเองในหลักของพุทธศาสตร์ในแถวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันเท่านั้นเพียงสมถะเพียงแต่ทําจิตใจให้เป็นหนึ่งทําจิตใจให้สงบยังไม่จัดว่าเป็นวิปัสนา ถ้าวิปัจฉนาเราต้องพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งตัวความคิดสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานั่นแหละจะเดินไปทางวิปัจสนาแต่ตัวนั้นเพียงแต่สมถมาตอสมมถถาตรกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธไม่ใช่วิปัจสนานะเป็นสมมาตรนะ ขาขวาพุทขาซ้ายโทอันนี้ก็คือสมาถาพยายามรวบรวมจิตใจข อ, ของเราให้เข้าสู่ความสงบเท่านั้นไม่ใช่ว่าะจะพิจารณาให้เบื่อหน่ายไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าตรรอมจิตให้มันอยู่นิ่งซะก่อนในเมื่อมันอยู่นิ่งแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญามันจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวเราจะพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายมันก็จะเห็นได้ชัด เพออราะเเพราะเรามีสติสัมปชัญญะที่แข็งแกร่งนะสติของเราอยู่กับตัวแข็งแกร่งนะจากนั้นเราพิจารณาอะไรก็เห็นได้ชัดเจนทุกอย่างนะนี่แหละขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะทา ญ, ญาติโยมทุกคนนะที่หลวงพ่ออธิบายเรื่องสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามที่จะมาอธิบายาตถ้าอธิบายนอกเหนือจากสติปัฏฐานสีนี้แปลว่าผิด ผิดแนวทางของพระพุทธศาสนาผิดแนวทางของพระพุทธเจา้าแต่ว่าในครั้งพุทธกาลการภาวนาของแต่ละท่านแต่ละองค์เป็นวิสัยของพุทธะก็มีเป็นสาวกศสอนกันก็มีและตัวเองประพฤติปฏิบัติตามลําพังก็มีตามแนวแถวที่เราได้ฟังได้ศึกษามาลงมือประพฤติปฏิบัติจากนั้นเราก็พ้นทุกข์ในวัะสงสารถึงแดนพระนิพพานก็มีมากต่อมากเหมือนกัน แต่บางองค์พระในครั้งพุทธกาลคําว่าเป็นวิสัยของพุทธนะนี่คืออะไรบางทีคนคนนี้สอนกรรมฐานให้นะสอนละเอียดออขนาดไหนก็ตามเขาไม่เข้าใจสอนยังไงก็ไม่เข้าใจเมื่อไปกราบภูมพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ภาษาริบุตรสอนลูกศิษย์สอนยังไงก็ไม่เข้าใจตั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ไม่เข้าใจ ไปกล่าวพาไปกราวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอออันนี้ไม่ใช่วิ ส, สัยของสาวกเป็นวิ ส, สัยของพุท ธ, ธะจะต้องสอนคนคนนี้อ้าวเดี๋ยวเย็นวันนี้แหละเขาจะได้สําเร็จเป็นพระราษาราเดี๋ยวเราจะสอนให้เนี่แหละพราะพุทธองค์ได้ใช้อิฐลิศเป็นเครื่องประกอบด้วยเนี่ยให้ค้าไปอิฐลิศเพ่งดอกไม้ให้เป็นทองดอกบัวให้เป็นทองคำอย่างนี้ยให้พระองค์นั้นไปเพ่ง ไปกำหนดดูทองคําทองคําทองคําสวยหนอสวยหน อ, หนอดอกบัวที่สวยหนอสวยหนอสวยหนอให้เอให้เห็นความสวยงามจากนั้นก็เห็นจากนั้นพอพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะเศร้าหมองไเลยเพราะอิทธิฤทธิ์ทาให้เศร้าหมองคือพันให้มันเสือ่อมใครค่ว่าดอกบัวมันแก่สลายอย่างนั้นแ่ะดอกบัวมันเฮ้ยมันจะร่องลุ่มร่องลอยอย่างงั้นอ่ะมันเศร้าหมองเขาก็เห็นอนิจจังเออ ก่อนหน้านี้สวยงามจริงๆแต่บัดนี้ดอกบัวนี้เป็นอนิจจังแล้วสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันทุกข์ที่ไหนทุกข์ใจเพราะเรามาอยากจะให้มันเป็นไม่อยากจะให้มันโรยโรยอยากจะให้มันเจ็ดสวย ง, งามอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์ในใจของสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นท่านก็ปฏิเสธในใจของท่าน ท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์สรุปแล้วก็คือทำรรมะธยรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้สอนใจเท่นี้ท่านไม่ได้หสอนอยู่ข้างนอกอันนั้นเป็นเครื่องเห็นปัญพิจารณาพิจารณาร่างกายก็ดีแต่พิจารณาธาตุสีก็ดีพิจารณาอสุภะปฏิกูลก็ดีกําหนดผู้ความเกิดแก่เจ็บตายก็ดีอันนั้นเป็นเพียงหินรับปัญญาให้แค่ว่าให้ทําใจให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่เที่ยงนะ อีกสักวันหนึ่งนะแตกตายสลายแน่นะอใจนะจะได้มาถึงตัวใจตัวผู้รู้อะไรในเมื่อผู้รู้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นร่างกายกนเนี่จะเลี้ยงอิ่มมีพิมันขนาดไหนทะนุถะนมขนาดไหนห่ผมผ้าให้ดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนสร้างที่อยู่อาศัยให้หรูหราโออาร์ขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอ มันไม่คุ้นมันไม่เชื่องเพราะเหตุไรอีกสักวันเนี่ยก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงในโพเดิสมุดฟันไม่เคยหลุดมันก็จะหลุดผมไม่เคยงอกมันก็จะงอกหนังไม่เคยเหี่ยวมันก็จะเหี่ยวตาฟ้า ฟ, า, ฟางหูตึงไปเรื่อยถึงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคนแก่ถึงจะสร้างบ้านเรือนอูรู้หลาโอ่อขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ว่าจะประยุงร่างกายของของเขาคนนั้นให้เปล่งปลังสดใสเป็นลมเป็นสาวไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่มีเลย ผลที่สุดก็ถึงจุดจบของชีวิตเหมือนกันทุกๆคนเพราะฉะนั้นร่างกายใ น, นถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนก็มีจุดจบคือมรณะภัยเ <c oughs> พราะฉะนั้นพวกเราจะไปหลงไหลกับร่างกายของตนเองจนเกินไปเลี้ยงดูพอประมาณดูพอประมาณอจากนั้นก็ให้ดูใจของตนเองใช่ไหใจอย่าไปหลงร่างกายนะ ขนาดร่างกายตัวเองก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราเลี้ยงร่างกายมาตั้งแต่เกิดมันก็ยังแก่ยังตายแล้วคนอื่นลูลกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาคนอื่นๆเราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของเราอยู่เหลือใจเหลือใจจากท่านเมือเมื่อเรามัน้อมมหาใจใจของเราก็จะต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญามาพิจารณาใจใจมันไม่ยึดมั่นถือมั่น ใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายเออใช่ขนาดร่างกายเราแท้ๆมันก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเรายศถาบรรดาศักดิ์เงินคาทรัพสมบัติพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้ยังไงใจเอ้ยใจเนี่ยพอเข้ามาถึงจุดนี้ใจมันรู้เหตุตามความเป็นจริงก็ปล่อยวางปล่อยวางธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่ใจกิเลสมันอยู่ที่ใจ แต่ที่แรกเราก็ต้องพิจารณาอยู่ในจะติปฐานสี่กายเวทนาซะก่อนเคล้ายๆว่าเออดูซะก่อ น, ออ ส, อนสิ่งเหล่านั้นซะก่อนให้รู้เห็นตามความเป็นจริงซะก่อนจากน้กําก็ย้อนย้อนย้อนเข้ามาถ้าเราไม่ยึดเหล่านั้นไม่มีสติสัมปชัญญะในสิ่งเหล่านั้นมันจะเข้าหาใจไม่ถึงนะเนอ่ยพยาตัวนี้พยาจิตละตัวโลภโกรธหลงมาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราต้อง หักด่านเข้ามาหักด่านเข้ามาเห็นตามเป็นจริงเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนถึงมาถึงใจเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าตัวนี่แ่ะเป็นตัวการใหญ่ความโง่ก็อยู่ที่นี่ความฉลาดก็อยู่ที่นี่เหมือนกับเราเรียนหนังสือแตะกรอเราไม่รู้เ อ, อ A, B, C, D, เบซีภาษาต่างๆเราไม่รู้แต่เมื่อเรารู้แล้วความฉลาดเกิดที่ใจความโง่นั่นก็ตกไปหายไปความโง่หายไปความฉลาดเกิดขึ้นมานี้ก็เหมือนกัน เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วอวิชชาคือความโง่เง่าตะตุต่ยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารว่าเป็นตัวตนของเราลุ่มหลงมัวเมา ว, ว่าร่างกายสังขารสิ่งภายนอกว่าเป็นตัวตนของเรามันก็สลัดทิ้งหมดเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงดูอ่านายคลายมันสลัดออกไปเป็นมิติหนึ่ง ใ, ใจของเรามันออกไปเป็นมิติหนึ่ ง, งนี่ว่านิพพานังปรามังสุ ข, ขัง นิพพานังปรามังศูนย์อย่างนิพพานสูนศูนย์เชื้อที่จะทําให้เวียนว่ายตายเกิดในวะตะสงานะสารนั้นสกัดออกไปหมดแล้วยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์เมื่อความบริสุทธิ์ยังมีอยู่ไม่มีอะไรเข้ามารบ ก, กวนนั่นแหะนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ในที่ไหนนะพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกคนนะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคือท่านเน้นเรื่องมาหาใจเท่านั้นใจนี่แหละ เป็นที่จุดเด่ดเดนที่สุดจะพวกเราจะเข้าไปยังไงจึงจะเข้ามาสู่จิตใจได้ถ้าพวกเรา เ, เข้ามาไม่ผิดที่ผิดทางเข้ามาไม่ถูกด่านกิเลสราคะมันล็อกคอเลยกิเลสโทสะล็อกคอไวอ้มันจะลุ่มหลงมัวเมาในโลกวัตะสูงสารมองอะไรเป็นสวรรค์ีิมานไปโม้ที่สุดนั่นแะ เวลามันจะตายพอน่ะตาลีตะเหลือกกระเสือกกระสนจริงจังว่าทุกจริงจริงทุกจริงจริงทุกจริงจริงเพราะจากนั้นก็ใจขาดแล้วก็ตายไปท่านเองไม่ไรเพราะใจมันลุ่มหลงใจมันมันมวเมาใจมันไม่รู้แต่ถ้าว่าใจของเราแต่พิจารณานำธรรมคํานำธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สาเร็จมรรคสำเร็จผลมาท่านมาสอนพวกเราพวกเราจะได้ ความแนวความรู้และก็ะมาปิดพฤติปฏิบัติกับปรปับปรุงกายใจของเราพวกเราก็จะเนี่นแหละเห็นช่องเห็นทางที่จะพ้นทุกในวัิตาสงสารได้นะในวันนี้หลวงพ่อเองหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการเป็นมาของพระพุทธศาสนาวันมหาปวารณาเป็นยังไงเราเอามาใช้ก็เกิดประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้ แล้วก็พญานาคมีจริงไหมพบภูมิต่างๆในโลกมีมากมายที่พวกเราเกิดมามีหลายชั้นหลายภพหลายภูมิแล้วเราจะประปรุงอย่างไงเราจะรู้ได้อย่างไงจากนั้นหลวงพ่อได้แนะนำเรื่องสติปัฏฐานสี่การภาวนาการอยู่ด้วยกันทาตนอย่างไรในหลวงพ่อ เน้นหนักเรื่องสติปัฏฐานสี่วันนี้กายเวทนาจิตธรรมจะเป็นคณาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านองค์ใดข้อตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกเราให้สําลักไปอยู่เสมอว่าท่านพูดในแนวไหนในพูดในสติปัฏฐานสี่กายเรื่องของกายและเรื่องเวทนาเรื่องของจิตและเรื่องของธรรมให้พวกเรานึกเ อ, อที่ได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อไปแล้วเปรียบเทียบทันทีเลยให้พวกเราจะรู้ได้เออท่านนี้ท่าน ท่านนี้ท่านสอนเรื่องจิตตภาวนาเึื่องของจิตจิตตาปัสฉนาสติปัฏฐานนี่แหละถ้าพวกเราจับเงินได้แล้วพวกเราจะไม่หลงทิศหลงทางไปศึกษากับครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามพวกเราจะมีแต่เรื่องสติปัญญาของพวกเราจะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่ดูถูกครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ไม่ดูถูก อ, อ, องค์นั้นองค์นี้เพราะแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยท่านได้ธรรมะขั้นไหน ท่านก็มาแนะนำสั่งสอนพวกเราด้วยเจตนาดีแต่พวกเราจะไปประมาทท่านไม่ได้ไม่ถูกต้องเราต้องแยกแยะให้ออกแต่และครูบาอาจารย์ท่านจะอธิบายให้ฟังถี่ถ้วนอย่างที่หลวงพ่ออธิบายท่านก็คงจะไม่มีเวลาที่จะอธิบายให้แก่พวกเราฟังพอไปถึงแล้วท่านก็อธิบายธรรมะให้แก่พวกเราฟังแต่บางคนก็ไม่ถูกจริตนิสยัยจากนั้นก็ดูถูกท่านไ ก, กล หาบปลามาท่านอย่างนุนอย่างนี้เข้ามาเป็นบาปกรรมใส่ตัวเองนะเป็นบาปกรรมใส่ตัวเองเป็นบาปกรรมทางด้านจิตใจของเราเนี่ยเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะสัตยาญาติโยมทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดไตรตรองเหตุและผลที่หลวงพ่อได้อธิบายมาการพูดธรรมะในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองพวกเราพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าจะเดินจงกรมข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถข้าพเจ้าจะใส่บาต ท, ทุกวันข้าพเจ้าจะงดบุรีสุราอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้วันนี้เป็นวันสิ้นสุดในการตั้งจิตอธิษฐาน ของพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเราให้พิจารณาดูว่าในเมื่อเราชนะในพรรษาแล้วเราจะกลับมาแพ้อีกเหรือเราจะกลับมาแพ้อีกเหรอเราต้องชนะไปเรื่อยๆมันจึงจะถูกต้องชนะความชั่วในจิตในใจของพวกเรามันจึงจะถูกต้องแล้วก็เมื่อเราชนะในพรรษานี้แล้วบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานนี้ขอให้ บุญกุศลทั้งหลายทั้งปว ง, งด้วยอานาจคุณพระศรีรัตนตรัยอย่างที่ว่าขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสินใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาอายุวันนะสุขภ า, าละปฏิพานธนาศาสสมบัติก็ให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกปาการเทิน